พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่ยี่สิบแปดมหาหัตถิปโทปะมะสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามพระสาวรีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายใจความว่ากุศลธรรมทุกอย่างย่อมรวมลงในอริยสัจสี เหมือนรอยเท้าสัตว์ทุกชนิดรวมลงในรอยเท้าช้างครั้นแล้วได้อธิบายรายละเอียดเฉพาะทุกขอริยศาสตร์ข้อแรกโดยแสดงความเกิดแก่ตายเป็นต้นว่าเป็นทุกข์และกล่าวโดยรวบยอดอุปทานนักข์คือกองแห่งรูปนามที่ยึดถือห้าอย่างว่าเป็นทุกข์และได้อธิบายโดยพิเศษเฉพาะกองรูปซึ่งแยกออกเป็นรูปใหญ่ คือมหาภูตรูปคือรูปที่ประกอบด้วยธาตุสี่กับอุปาทารูปรูปอาศัยคือต้องอาศัยธาตุสี่จึงปรากฏแล้วได้แจกรายละเอียดเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมทีละข้อจนจบโดยสรุปท้ายในตอนจบว่าความพอใจความอาลัยในอุปาทานขันห้าเป็นเหตุให้ทุกเกิดนำออสะละสะ ซึ่งความพอใจในอุปทานคัขันหเป็นความดับทุกข์ส่วนข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่ได้แสดงโดยตรงหากได้พูดไว้ท้ายการแจกรายละเอียดเรื่องทุกข์แต่ละข้อพระสูตรที่29มหาสาวโรปรมาสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยแก่นไม้สูตรใหญ่ พระผู้มีพระภาคประทับนเขาคิจกูดกลกรุงราชครืตรัดแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงการที่ผู้ออกบวชได้ผลดีบางอย่างหรือทําความดีบางอย่างให้เกิดแล้วมัวเมาประมาทยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุแห่งผลดีหรือความดีนั้นๆเทียบด้วยผู้ถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่แก่นว่าเป็นแก่นไม้ในที่สุด ได้ส่งแสดงความหลุดพ้นแห่งใจที่ไม่กำเริบว่าเป็นเหมือนแก่นไม้ต่อไปนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ส่งแสดง 1. ลาบสการะชื่อเสียงเปรียบเหมือนกิ่งและใบไม้ 2. ความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบเหมือนสะเก็ดไม้ 3. ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเปรียบเหมือนเปลือกไม้ 4. ยานัศสนะความเห็นด้วยปัญญาเปรียบเหมือนกับผีไม้ 5. อากุปปาเจโตวิมุตความหลุดพ้นแห่งใจที่ไม่กลับกำเริบเปรียบเหมือนแก่นไม้พระสูตรที่30จุลสาโรปรมาสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยแก่นไม้สูตรเล็ก พระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามทรงแสดงธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายมีใจความคล้ายคลึงกับมหาสาโรปรมาสูตร